ยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกัปติอิจฉิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจัตุสัภีปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนารสุยถามณิโชติ ระโสยถาสัพพิตโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอะพิวาธนศีลิสนิจังบุต ธ, ธาปจายโนจตารโอธรมมาวาทานติอายุวันโนสุขังพาลังภวะตุสัพพมังคลัง ราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสั พ, พสังคานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเต